นี่คือรายการเปิดธรรมที่ถูกปิดภาคออนไลน์ทางพิโยธรรมะ dot com มาพระไพบูรณ์อภิปุลโนอยู่ที่วัดป่าดอนไหนโศกอําเภอหนองงานจังหวัดอุดรธานีครับกับผมธนแพทย์นัทพงศ์กนกวิรุณนะครับตันนี้อยู่ที่กรุงเทพนะครับก็ได้มีโอกาสที่จะมาร่วมรายการกับพระอาจารย์ไพบูรณ์ครับก็เป็นผู้ดำเนินการร่วมกันนั่นแหละแล้วก็ถ้ามีประเด็นธรรมะอะไรต่างๆเราก็จะมาพูดคุย ทางรายการพอดแคสนี้เป็นประจำในเนื้อหาของรายการวันนี้เราได้ต่อเนื่องจากคราวที่แล้วนะครับท่านที่เรักองมรุ่งสุดท้ายหรือองค์มรุองค์ที่8คือสัมมาสมาธิที่ได้ครับได้มีการคุยกันไปแล้วหนึ่งช่วงนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เรากําลังทำซีรีส์ของการเอามรุ่แต่ละองคประกอบทั้งหมดเนี่ยมาคุยกัน วันนี้เป็นตอนเรื่องของสมาสมาธิจะเป็นตอนที่สองของสมาสมาธิอาจจะเป็นตอนที่สิบเอ็ดใช่ไหมตอนนี้เป็นพอร์ตแคสตอนที่สิบเอ็ดแล้วใช่ครับตอนที่สิบเ <ử 'm. S 1> อ็ดแล้วก็จะเป็นตอนที่สองของสมาสมาธิครับอืมก็วันนี้ ล่าสุดคือมีคําถามจากคุณท่านท่า น, ท, านท่านผู้ฟังนะครับที่คุณมณีเนตรจะเขากัดจะสักถามตรงนี้เลยดีไหมครับจ ะ, จะได้เลยทํามได้เลยครับคือคุณมณีเนตรถามว่าในกรณีที่คนที่มีสติแล้วไม่มีสมาธินะครับแล้วก็อี ก, อ, กอีกกรณีหนึ่งก็คื อ, อคนที่มีสมาธิแต่ไม่มีสตินะครับ จริงๆคุณมันนิด น, นี้ก็ยกตัวอย่างขึ้นมาอืทีนี้แกก็ก็ยกมาว่าเอ๊ะอย่างนี้แสดงว่าการเจริญองค์มากเนี่ยมันไม่ได้เจริญขึ้นพร้อมๆกันจริงๆไม่รับคือพระอาจารย์พอพอจะค่อยๆ อ, อธิบายาได้ไหมครับรู้สึกว่าคราวที่แล้วรเราได้ถามไ ด, ได้ได้คุยให้ฟังว่าคนที่มีสมาธิเนี่ยแต่ไม่มีสตินั่นก็คือคนที่ลุ่มหลงในสมาธิเรียกว่า ติดสุกในสมาธิไว้อย่างนั้นเถอะอย่างเช่นพวกฤๅษีอะไรต่างๆในขณะที่คนที่มีสมาธิแต่มีสติแต่ไม่มีสมาธิเนี่ยก็คือมีสติเห็นเกิดดับแต่ยังไม่สามารถอยู่ในสมาธินั้นได้ได้นานอันนี้ที่เขาพูดมาทีนี้ถามว่าเอาละที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าคนที่เจริญมัจทั้ง7จ็ดองเนี่ยนะคือตั้งแต่สมาธิถึงสมาสมาถึงสมาสติ แวดล้อมจิตอันเป็นหนึ่งอันนี้เรียกว่าสัมมาสมาธิแล้วมันทำไมมาด้วยกันได้ในขณะที่สติกับสมาธินี่เป็นเหมือนแยกกันใช่ครับก็น่าสงสัยอยู่เหมือนกันนะครับคําตอบตรงนี้ก็คือว่าสมาธิอันไหนนี่ที่ปราจสักปราจสักสตินะอันนั้นไม่ใช่สัมมาสมาธินะอ๋อเป็นมิจฉาสมาธิไหมครับอ่าก็ยังไม่เป็นสัมมาสมาธิ เพราะว่ายังไม่มีถ้ามีมิจฉาทิฏฐิเนี่ยบุรุษชาตบอกว่าจะนำไปสู่มิจฉาสังกปะไปเรื่อยๆเล ย, เยจนถึงมิจฉาสมาธิะฉะนั้นถ้าเขายังมีความเห็นว่าเฮ้ยฉันไม่ต้องการเห็นเกิดดับฉันไม่ต้องการอะไรฉันต้องการไปเทวดาอย่างงี้นะฉันต้องการมีอำนาจอย่างนี้นะแสดงว่าทิฐิของเขาเนี่ยยังเป็นมิจฉาทิฐิ อืก็จะนําพาเป็นไปฝั่งมิจฉาทั้งหมดเลยอมิจฉาสมาธิได้มิจฉามรักทั้งหมดทั้งหมดจิตมีกําลังไหมอาจจะมีมีแต่เป็นมิจฉาสมาธิออันนี้เป็นไปได้นะครับคือมุ่งสู่เป้าหมายที่ผิดใช่ไหมครับถูกต้องหรือว่าไม่ไม่ไม่ไม่มุ่งสู่ทางที่ถูกต้องาก็ยังเคยพูดกันไปว่าคนที่จะขโมยกระเป๋าอย่างเงี้ยนักลุ๊กระเป๋าเขาต้องเพ่งจิตอย่างเต็มที่เลยนะต้องมีสมาธิมากก่อนจะมือ ยื่นมือออกไปชกเข้ามาเนี่ยต้องมีสมาธิสูงครับแต่สมาธิของเขาตรงนั้นเนี่ยเป็นมิจฉาสมาธิถูกต้องคอรับอเพราะว่าเขาขโมยผิดศีลเนื่องจากมีมิจฉาทิฐินํามามทีนี้ประเด็นมากคนที่มีสมาธิแต่ไม่มีสติเนี่ยสมาธิตรงเนี้ไม่ใช่สมาสมาธิละครับอเพราะขาดสติ<ม>นคนที่มีสติแต่ไม่มีสมาธิเนี่ยก็คืออย่างเช่นคุณมีสติในนิวรณ์ห้าได้อใช่ครับนะ นิวรณ์ห้าจิตฟุ้งสั้นจิตก่อนที่เราจะละความอากุศลต่างหลายแหลได้คุณต้องมีสติก่อนนะสติที่เกิดขึ้นตรงนี้ปราศาจากสมาธิเพราะจิตยังฟุ้งสั้นอยู่จิตยังมีนิวรณอยู่จิตยังมีหลายๆอย่างอยู่ก็ยังไม่สามารถเข้าสมาธิได้อันนี้ชัดเจนว่าเป็นแยกกันอยู่ทีนี้ถ้าเมื่อไรมันแวดล้อมกันหมดนั่ น, นแหละนั่ น, นแหละถึงจะเป็นสมาธิครับ ถ้าสติกับสมาธิมาคู่กันนะสมาธิในที่นี้ต้องพูดนิดหนึ่งว่าถ้ามีสมาธิอย่างไม่มีสติเนี่ย<ม>ก็คือยังไม่ใช่สมาสมาธิเต็มร้อยต้องมีสมาธิพร้อมกับสติอ่านี่ถึงจะเป็นสมาสมาธิเต็มร้อยอ่า อ, อย่างนี้ครับใช้คําว่ามีสติกํากับควบคู่กันใช่ใชทีนี้ในเรื่องของตะกี้ท่านกล่าวถึงนิวรณ์ห้าซึ่งอในคราวที่แล้ว ครับคราวที่แล้วเราได้พูดถึงรายละเอียดของนิวรณ์5นะครับเช่นความความอยากก็คื อ, อตัญหานะครับความฟุ้งซ่านความพยาบาทนะฮะแล้วก็ความขี้เกียจความสงสัยนะครับวิจิตรชานะครับนิวรณ์5เหล่านี้เนี่ยจะทำให้เกิดความเครียดความเครียดแล้วอันนี้พอดีเราก็ค้างกันไว้ว่าเอความเครียด มันก็จะเกิดอะไรต่อหรือว่าจะผลทางแก้ไขก็เลยอยากจะคุยกันต่อประเด็นนี้นะว่าอย่างเรื่องของความเครียดเนี่ยก็เป็นต้นเหตุมาจากนิวนนรนวนเนี่ยแหละับนิวรณ์เนี่ยจะทําให้เราเครียดคือเวลาเราอย่างความเครียดมีอะไรบ้างหล่ะหมอรัตพงศ์เช่นเครียดเรื่องงานเอา้าใช่การไปทํางานแล้วเครียด ค, คนที่จะเครียดเรื่องงานเนี่ยนะเขาก็จะต้องมีความอยากมากเกินไป หรือไม่ก็ไม่พอใจเพื่อน่ม ง, งานรนะหรือไม่ก็ตัวเองก็ขี้เกียจไม่ทำงานจนกระทั่งถึงเวลาจนสุดท้ายละก็งานไม่สำเร็จก็ต้องมารีบต้องอยากให้มันเป็นอย่างงั้นอย่างนี้จิตก็ไม่ปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยความเครียดเนี่ยจะเป็นองค์ประกอบมากน้อยของนิวัณ์ทั้งห้าเนี่ยไม่เท่ากันสมมุติว่าถ้ามีความอยากมากความขี้เกียจมากแล้วก็ มีความวิสีกิริาน้อยอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเป็นความเครียดแบบต่างๆไม่เหมือนกัน ค, ความเครียดอย่างเช่นว่าเครียดจนเครียดเพราะว่าเรื่องที่บ้านเครียดเรื่องที่ทํางานเครียดเรื่องที่โรงเรียนเนี่ยเป็นเพราะรว่าจิตเนี่ยไม่มีสมาธิที่จิตไม่มีสมาธิก็เพราะว่ายังมีนิวรณ์อยู่ น, ในะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งครับซึ่งที่ดีครับซึ่งอกุศลเนี่ยอกุศลสาอย่างทางกายวาจาใจเนี่ยมันก็จะเป็นอาหารของนิวรณ์ ซึ่งพอนิวร์มากขึ้นมากขึ้นเนี่ยจิตก็ไม่บริสุทธิ์ก็มีความเครียดพอจิตมีความเครียดเนี่ยคือความเครียดเนี่ยเป็นศัพท์สมัยใหม่ไงครับใช่ครับความเครียดเนี่ยเป็นศัพท์สมัยใหม่ที่พระพุทธเจ้าได้คือพูดถึงรากของความเครียดเลยเอาคือนิว ร, ค ร, คร์ซึ่ง น, น, นิรงว ร, ร์มันโตขึ้นไม่ได้เนี่ยก็เพราะว่าอกุศลสอย่างกายวาจาใจอกุศลสอย่างที่มันโตขึ้นมาได้นี่ก็เพราะว่า มันมาจากการที่ไม่มีการปิดกั้น C, อินทรีย์อไม่มีการสํารสมอินทรีย์ครั บ, รบการที่เราไม่ได้สํารสมอินทรีย์หรือสํารสมอินทรีย์ไม่ได้เนี่ยเพราะไม่มีสติอืมครับไม่มีสตินี่ก็เพราะว่าไม่มีความอฮิร uh, ิโอตปะคือความกลัวและความละอายต่อบาปต่อนเนื่องเป็นลูกโซ่เลยนะครับแล้วต้องมีความกลัวความละอายต่อบาปมา ก, ก่อน คอัน<ล><ม>นี้เป็น <ตะ S 1> เหตุใช่ถึงจะมีสติมีสติแล้วก็จะมีความกลัวความลายต่อบาปมีความกลัวความลายต่อบาปแล้วก็จะมีการสำรวมอินทรีย์มีกา ร, ร, รสำรวมอินทรีย์แล้วก็อกุศลสาอย่างก็เกิดไม่ได้อคุศลสาอย่างเกิดไม่ได้ก็นิวรณ์ก็ไม่มีครับซึ่งตรงเนี้แหละคือความเครียดเดี๋ยวขออนุญาตทบทวนอีกนิดนึงตรงนี้รู้สึกโอ้โหเป็นเป็นอะไรที่รู้สึกจะได้ใช้ประโยชน์เนีจยต้องเริ่มจากสติก่อนถูกไหมครับสติก่อนแล้วก็ จะมาถึงฮิลิโอตาปะคือความเกรงเกรงกลัวและละอายใจต่อบาปความลกลัวแล ะ, และความละอายต่อบาปครับแล้วก็มาถึงกายอากุศลก็จะมาถึงความกลัวความละอายต่อบาปก็คือจะมาถึงส่วนต่อไปก็คือการสามารถสรัมรวมอินทรีย์ได้อ๋อ อ, อินสียสังวรสัรสมินทรียอินรียสังวรแล้วก็ต่อไปก็จะมาถึงว่าถ้าเราสามารถ สรรวมอินทรีย์แล้วครบลทีแล้วกายวาจาใจก็บริสุทธิ์อกายวาจาใจบริสุทธิ์ครับก็นิวรณ์ก็จะดับไปนิวรณ์ก็ดับโดยอัตโนมัติจริงๆกระบวนการพวกนี้เร็วมากเลยนะครับเป็นเรียกว่าโดยวินาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าเองไม่ได้พูดถึงเรื่องความเครียดนะไวก่อนซึ่งซึ่งอธมาก็เลยคิดว่าไอ้ความเครียดเนี่ยมันอยู่ที่จิต มันอยู่ที่จิตแล้วก็ทำให้ร่างกายมีผลตอบสนองนไม่เหมือน ก, ก, กันซึ่งซึ่งตรงเนี้ยทำให้เราต้องมาแก้ที่มาดูที่ว่าเอ๊ะจิตตรงไหนนะที่ว่าเปรียบเสมือนสนิมของจิตพนะระพุทธเจ้าก็เลยตรัสเรื่องของนิวรณ์เอาไว้ซึ่งเนี่ยจะทำให้จิตไม่มีกำลังจิตซึ่มกำลังแล้วก็เป็นต้นต่อของพวกนี้มาทั้งหมดครับผมเคยจำได้ว่าเคยอ่านว่า นิวรณห้าเป็นอาหารของอวิชาถูกต้องั้้ครบาตองใช่ไหมครับก็พอนิวรณ์ห้าเนี่ยก็อ่าที่ไล่กันไปไล่กันมาเมื่อสักครู่นี้นะก็คือต่อไปเนี่ยพอนิวรณห้าดับแล้วเนี่ยวิชาก็จะเกิดกันได้อ๋อครับนิวรณห้าดับอวิชาก็จะดับไปได้คืออาหารของอวิชาก็ไม่มีเพราะอาหารของอวิชาไม่มีแสดงว่าตรงนั้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยจิตหยุดเพิ่มพูนพอกพูนอวิชานะ ถ้างรงมีสมาธิละก็เป็นที่ปิดกั้นนะปิดกั้นภัยของมันมันผู้มีบาปจะทําอะไรไม่ได้นะอวิชชาเราไม่เพิ่มล่ะแต่เราจะจัดการกับอวิชชาเก่าที่มีอย่างไรอย่างนี้ก็ต้องมีสมาธิและปัญญาสามารถปัญญาในพระเจ้าเปรียบเหมือนกับมีดที่ไว้ตัดอวิชชาราคของตันหาคืออวิชชาให้ขาดได้ออืมีมีคําหนึ่งที่บอกว่า การตัดเป็นเครื่องเจาะแทงกิเลสอย่างนี้ได้ไหมครับท่านอืมปัญญาเป็นเครื่องเจาะแทงกิเลสครับใช่ครับแหมจริงๆพออาวิชาปั๊บก็นึกถึงปฏิจจสมุปบาท น, นะฮะต้นต้นทานของปฏิจจสมุปบาทใชครับก็ตรงนี้ก็เหมือนกันก็ว่าอาเวลาที่สมาธิอย่างนี้นะถ้าเราจะพูดถึงเรื่องของเหตุของสมาธิครนะก็คือว่าคุณต้องมีอ กายเนี่ยคือคือจิตจะมีสมาธิมากหรือน้อยอยู่ที่ความสุขเราวัดกันที่ความสุข happiness ถ้าคุณแฮปปี้มากแต่ความความสมาธิก็มากแต่แต่ความสุขตรงนี้นะไม่ใช่ความสุขที่คุณดื่มได้นะแต่เป็นความสุขที่เกิดจากในภายในอ๋ออันนั้นจะเป็นสุขะเวทนาใช่ไหมครับที่อยู่ในหมวดของของที่เป็นสุขทุกุเบขาอันนั้นคือสุขเวทนาแต่สุขที่ท่านพูดทีหลังนี้คือสุข จากสมาธิสุขภายในใช่ไหมครับอสุกเนี่ยมันปรารบเหตุจากอะไร ท, ที่ที่มากําลังพูดถึงตรงนี้ออสุขเนี่ยปรารบเหตุถ้าเกิดจากตาหูจ ม, มูกลิ้นกายอันนี้ไม่ไมใช่ อ, อแต่ถ้าเกิดจากในภายในเอออันนี้ใช่ในภายในก็คือเกิดจากอย่างสมาธิใช่ไหมครับถูกต้องถูกต้องครับผมก็เป็นสุขที่ไม่ต้องอิงอาศัยสิ่งภายนอกอืมไม่ต้องพึ่งสิ่งภายนอกครับอทีนี้ จิตคุณจะมีสมาธิคุณต้องมีสุขใช่ไหมจะมีสุขไม่ใช่สุขทั่วไปนะแต่เป็นสุขที่ไม่ต้องพึ่งภายนอกนะจะมีสุขตรงนี้ได้ต้องมีปีติจะมีปีติได้ต้องมีปราโมดจะมีปราโมดได้ต้องมีความไม่ร้อนใจไม่ร้อนใจจะมีความไม่ร้อนใจได้คุณต้องมีศีลโอครับพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าถ้าศีลไม่บริบูรณ์เนี่ยก็จะมีความความร้อนใจเพราะมีความร้อนใจก็ ปีติสุขอะหาไม่มีไม่ไม่มีไม่มีสมาธิไม่เกิดปัญญาไม่ได้เลื่องอย่างนี้นะครับครับอันนี้เป็นเหตุอันหนึ่งไหมครับท่านที่บอกว่าเออเราจะต้องรักษาศีลให้บริสุทธิ์ก่อนก็เลยมีมีคำว่าเออศีลสมาธิปัญญาที่เราพูดกันว่าไตรสิกขาคือจะเริ่มจากศีลก่อนอย่างนี้ใช่ไหมครับบริสุทธิ์แล้วต้องบริบูรณ์ด้วยนะหมอรับผงศีลนะต้องบริสุทธิ์และบริบูรณ์ด้วย บริบูรณ์ก็คือไม่ขาดไม่ทะลุไม่ดังไม่พร้อยบริบูรณ์หมายถึงเต็มเต็มเลยอ่าเต็มพอศีลเต็มแล้วเนี่ยจะทําให้มีความไม่ร้อนใจได้อือครับพระพุทธเจ้ายกตัวอย่างเปรียบเทียบกับเมื่อฝนตกบนภูเขาเนี่ยลำธารน้อยๆเต็มแล้วห้วยห้วยหนองบึงก็จะเต็มห้วยหนองบึงเต็มแล้วแม่น้ำน้อยๆก็จะเต็มแม่น้ำน้อยๆเต็มแล้วแม่น้ำใหญ่ๆก็เต็มแม่น้ำใหญ่ๆเต็มแล้วทะเลก็เต็มขึ้นมาได้ เพราะนั้นคือความบริบูรณ์เนี่ยต้องมีด้วยบริสุทธิ์บริบูรณ์นะอย่างสมมติเราเอาขวดน้ำหนึ่งจุด้าลิตรมาอย่างเงี้ยคุณใส่น้ําบริสุทธิ์ลงไปเลยสามหยดมันก็มีแค่สามหยดเราต้องการเล็กขึ้นนะก็ยังยังไม่ยังไม่เต็มแต่บริสุทธิ์อยู่ครับอเพราะฉะนั้นเต็มมากเต็มน้อยเนี่ยก็อยู่ที่ว่าคุณต้องการอะไรอโซดาบัลใช่ไหมพระเจ้าบอกว่าทำศีลให้บริบูรณ์สมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณอันนี้คุณเป็นโซดาบัล คุณต้องการอนาคามีใช่ไหมศีลบริบูรณ์สมาธิบริบูรณ์ปัญญาพอประมาณอันนี้ ค, คุณเป็นอนาคามีอนาคามีาแต่ถ้ารอรหรันศีลต้องบริบูรณ์สมาธิต้องบริบูรณ์ปัญญาต้องบริบูรณ์บริบูรณ์คือเต็มนะครับเพราะฉะนั้นอินทรีห้าเต็มศีล ส, สมาธิปัญญาเต็มอันนี้คุณเป็นพระอรหันได้ทุกอย่างต้องสมบูรณ์หมดถูกต้อง นี่ว่าอย่างกรณีนี้เรากำลังคุยถึงเรื่องสมาธิอยู่ใว่าอย่างนิวรณห้าเนี่ยที่ได้พูดถึงว่าเป็นอะไรความเครียดที่เกิดขึ้นในจิตของเราอย่างเงี้ยนะเป็นผลที่ทำให้กระบวนการทางร่างกายเนี่ยมีปัญหาอะไรต่างๆก็มีสั่งค์ก็มีอะไรนะ a อ g เ r m ร n a g e m e n t นต์ารทั้คุยกันปลอบประโลมอะไรต่างๆนานะครับซึ่งตรงนี้ เป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ต้องพึ่งภายนอกออืมอต้องพึ่งตาหูจมูกลิ้นกายต้องพึ่งคนอื่นใช่ครับต้องพึ่งภายนอกแต่ถ้า เ, เรา ร, รู้ถึงกระบวนการตรงนี้นะหมอดตุโงเราจะรู้เรื่องว่าโอ้จริงๆความเครียดไม่ได้อยู่ที่คนอื่นอยู่ที่เราถ้าสมมติ<ช>ว่าอาตมาบอกว่าเอ้ยเหตุการณ์นี้ทำให้คุณเครียดคนอื่นเขาก็าเจอเหตุการณ์เดียวกันนะอืมอเศรษฐกิจไม่ดีคุณเครียดเหรอคนอื่นเศรษฐกิจดีไหมเศรษฐกิจมันทั่วโลกนะ ใช่ครับเหมือนกันเหตุเหมือนกันทาไมคนหนึ่งเครียดอีกคนหนึ่งโอเคปัญหาไม่ได้อยู่ที่ภายนอกผมบอกผมปัญหาผมอยู่ที่ตัวคุณถ้านายกอนายกอบอกว่านายกอเนี่ยอคุณไม่ชอบนายกอถ้านายขอเห็นนายกอนะนายขอก็ต้องไม่ชอบนายกอด้วยถ้าปัญหาอยู่ที่นายกอใช่ครับแต่พราะปัญหาอยู่ที่คุณนึกออกไหมถาให้นายขอเนี่ยเห็นบางทีอาจจะชอบอาจจะไม่ชอบไม่ได้อยู่ที่นายกอแต่อยู่ที่ตัวคุณ ใช่คร <mm um> ับก็จึงผุริชาจึงแนะให้แก้ที่ตัวเองพึ่งตนพึ่งธรรมแก้ที่ใจฉันเห็นเหตุการณ์ที่ไม่พอใจนะอย่าพึ่งด่าอย่าพึ่งว่าอย่าพึ่งมีความเครียดอย่าพึ่งไม่พอใจแก้ที่ตัวเราอือันนี้กำลังที่บอกว่าให้พึ่งตนพึ่งธรรมก็คือในในในยะนี้ใช่ไหมครับที่บอกว่าก็กลับถ้ามาดูที่จิตของเราว่าจิตเราอ่าได้ สั่นไหวสั่นคลอนไปตามเหตุภายนอกหรือเปล่าใช่ไหมครับใช่ใช่มแม้พูดถึงตอนนี้ต้องการจะเชื่อมโยงกับวิกฤตภัยพิบัติที่ประเทศญี่ปุ่นอย่างไรครับอืมเป็นยังไงล่ะคือเท่าที่ดูท่าทีของชาวญี่ปุ่นเนี่ยอ่าความเขาเขามีเขามีความเรียกว่ามีสติแล้วก็มีอ่าความเขาเรียความเยือกเย็นอย่างนี้ไหมครับอืม ใี่เป็นทีป่ประจักษ์เจ้าชาวโลกมากเลยนะครับกันจริงๆตรงนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ของการมีกําลังจิตครับนะพระเจ้าได้บอกพระเจ้าพระเศสนฐฐิโกโสนบอกว่ากํากลังจิตเนี่ยวัดเมื่ออยู่ในอันตรายครับวัดได้เมื่ออยู่ในอันตรายคือศีลเนี่ยวัดได้ด้วยการอยู่ร่วมกันความสะอาดวัดได้ที่คําพูดครับกนะําลังจิตเนี่ยอํานาจจิตเนี่ยวัดได้ที่เมื่อตกอยู่ในอันตราย เมื่อเราประสบความเสื่อมลาภประสบภัยพิบัติเพราะโรคเพราะอะไรต่างๆเนี่ยแล้วคุณไม่กราไฟกราเฟียกระด้าง ก, กระเดือ่องแสดงความกลัดความขัดเทือนความไม่พอใจให้ปรากฏเนี่ยอ๋อคุณมีกําลังจิตอ่ะ<ม>อย่างที่สองไม่ร้องไห้คร่ำครวญทุบอกชกตัวถึงความเป็นผู้คลั่งเพลอถ้าไม่เป็นอย่างนี้2 อ, อย่างน ะ, ะแสดงว่าคุณมีกําลังจิตสูงแสดงว่าชาวญี่ปุ่นนี้มีอํานาจจิตสูงนะครับเขาต้องได้รับการฝึกมา ไม่ด้วยวิธีใดก็วิธีหนึ่งไม่ด้วยเรื่องศีลก็ต้องด้วยเรื่องของสติคือเรื่องของสมาธินั่นแหละอืมครับครับแหมเป็นจริงๆชาวญี่ปุ่นก็เป็นชาวพุทธคันสาเหมือนว่าเขาก็โน้มเอียงมาทางพุทธใช่ไหมครับพุทธอาจจะเป็นมหายานหรืออะไรตามตามที่เราทราบกันใช่ไหมครับอืมอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็แตาถ้าใช้พุทธวัจนะก็ดีแน่ล่ะครับครับจริงจริงพุทธวจ พุทธวจนะก็ไม่มีแยกลัทธิใช่ไหมครับท่านไม่มีนิกายไม่มีลัทธิก็คือเป็นหนึ่งเดียวใช่ไหมครับอืมมันก็ต้องทีนี้จะพูดถึงเรื่องนิวรอยนิดหนึ่งนะว่าพระเจ้าเนี่ยเปรียบเทียบนิวรคืออ่ากรมวันทะคือความอยากครับการมวันทะความอยากเนี่ยถ้าคุณมีความอยากเมื่อไหร่นี่ยนะเหมือนคุณไปกู้หนี้เขามาก่อนยังไม่มีนะเรายังไม่มีนะคนไม่มีเงินเนี่ยคุณไปกู้มาใช้ก่อน มันเครียดนะ ค, ค, คุณเป็นหนี้ธนาคารแล้วตัวเองไม่มีเงินใช้แคชฟลูโกระแสงเงินสดก็น้อยมันเครียดทั้งีด่อดอกเบี้ยอีกครับอั้ทั้งเพราะฉะนั้นคนที่คนที่เขายังไม่มีแต่อยากนั่นแหะเหมือนไปกู้หนี้เขาเละเครียดอย่าทําครับอย่าอยากอย่าอยากเพราะฉะ น, นั้นพระเจ้าจึงเปรียบเทียบกับตรงเนี้แหวดีมากเห็นภาพเลยเห็นภาพชัดเจนครับตรงตรงกับชีวิต ของคนไม่น้อย ใ, ในเมืองแล้วก็ประการที่2ก็คือเรื่องของเเขารียกว่า <c oughs> ความพยาบาม ค, คนที่พยาบาทเนี่ยคือมันร้อนอยู่ในจิ ต, <ช>ตมันไม่มีทางสบายบตัวสบายกายสบายใจมันถูกมันถูกเผาอยู่ตลอดเวลาวุช <c oughs> าก็เปรียบเทียบกับคนป่วยกําลังน้อยอาหารไม่ย่อยอย่างนี้นะอันที่สมก็คือพูดถึงเรื่องคนขี้เกียจขี้ขขคลานง่วงตลอดไปทางนี้ก็ง่วงไปทางนั้นก็ง่วง มันถูกขังอยู่อ hmm. ถูกขังอยู่ในความง่วงทําอะไรก็ไม่ได้จะเดินแรงนี้หน่อยอ้อเดี๋ยวนอนดีกว่าเี่ยถูกขังอยู่ด้วยความง่วงคเหมือนคนติดเรือนจําไปไหนไม่สะดวกอ hmm. แล้วก็ใช่ประการที่สี่ก็คือเรื่องของความฟุ้งซ่านครับความฟุ้งซ่านเนี่ยคือเวลาเราฟุ้งซ่านเนี่ยเราก็จะฟุ้งไปตามความคิดบ้างใช่ไหมฟุ้งไปต า, ตามตาหูจมูกลิ้นกาย ใช่ไหมพี่จะฟุ้งไปตามอายตนะต่างๆเห็นตาก็คิดถึงอันนี้เห็นหูก็คิดถึงดัานนั้นไปตามหูก็คือเป็นธาตของเขาถูกพวกนี้ฉุดดึงไปตลอดอืมไปตามอำเภอใจไม่ได้ต้องพึ่งผู้อื่นเดี๋ยวคนนี้ก็ดึงไปเดี๋ยวคนนั้นก็ดึงไปเดี๋ยวหูก็ดึงไปเดี๋ยวจระเข้ลิงนกสุนัขทิงเจอร์ดึงไปหมดใช่ดึงไปพวกนี้ดึงไปก็คุณก็เป็นธาตของเขาปริญญาจึงเปรียบเทียบแหมสวยงามมากครับแล้วสุดท้ายเรื่องของ คนที่มีวิสิกรฉาเนี่ยกังวลตลอดสายกังวลนะมันเป็นความไม่สบายใจเหมือนคุณมีเงินอยู่ในกระเป๋านี่มีมีทรัพย์ข้ามทางกันดานเราไม่รู้เลยว่าโจรมันจะบุกมาเมื่อไหร่แล้วมันกังวลอยู่ตลอดเวลานเนี่ยคือลักษณะเดียวกันครับอ่าพรา ะ, ะนันตพระรูเจ้าบอกว่าเห็นภัยไหมเห็นภัยไหมเราจะพบว่าโอ้โหพวกนี้เป็นภัยจริงๆคอ ไ, อ ไ, อไอเรื่องว่าเดือกกลัวถูกโจรมาป้น เป็นทาสเขาถูกจําคุกป่วยหนักแล้วก็ยังไปกู้หนี้มาเนี่ยเหมือนเป็นพวกนี้โอ้โหนี่ถ้าถ้าใครมีครบทั้งห้านี่มันเรียกว่ามหันต์ทุกเลยนะครับใช่ไม่มีทางหลุดออกไปได้เลยใช่ครับคือเป็นจิตที่จะไม่อ่อนโยนควรแก่การงานไม่ไม่ไม่มีกําลังเลยอ่ะว่างั้นเถอะใช่ครับใช่ครับถูกฉุดลั่งด้วยทุกทั้งปวงอโอ้โหดีนี่กว่าหน้านี่มัน หลายกาดวิธีการก็คือว่าเราต้องละให้ได้ครับทีนี้กระบวนการละนี่มักเข้าวิธีก็คือต้องมีสติแบบมีสติเลยต้องมีสติก่อนอันดับแรกต้องมีสติครับได้ทางปฏิบัติกันมีสติถ้าเราจะเจริญก็คือวิธีการที่ที่เราได้พูดมาใช่ไหมครับท่านอาจารย์ว่าก็คือเรื่องของการมีอานาปานสติการดูลมหายใจรับรู้ถึงลมหายใจ ครับอันนี้ก็จะมีสติได้ครับแล้วมีมีอันนึงที่ได้ยินบ่อยก็คือการละความเพลินอย่างนี้ก็คือในยะเดียวกันไหมครับละความเพลินครับมีสติเหรอครับออคุณจะมีคุณจะละความเพลินได้ก็ต้องมีสติแน่นอนอ่าก็คือเหมือนกันใช่ไหมครับครับคือสติเนี่ยพระรุจ่าบอกว่าเป็นธรรมอันเอกอยู่แล้วครับอ่ตอนนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องสมาธิอยู่ ที่ว่าว่าคุณจะละนิวรณได้เนี่ยก็ต้องมีสตินะนะถึงจะสามารถทำจิตให้เป็นสมาธิได้ครับเคียงคู่กันสติกับสมาธิครับแม้พูดถึงความเครียดก็คือจริงๆในในทางการแพทย์เนี่ยก็พบว่าเป็นสารพัดสาเหตุเลยนะครับแม้กระทั่งคโรคมะเร็งเนี่ยฮะโรคมะเร็งเนี่ยโอ้โหปรากฏว่าฝรั่งก็มีวิจัยมากมายก็ ปัจจัยที่สำคัญอันหนึ่งก็คือความเครียดแบบว่าแล้วคนคนปัจจุบันนี่ก็จมอยู่กับตรงนี้มากมากเลยนะครับใช่ใช่คนระับแก้ง่ายๆเลยคือสมาธิครับใช้สมาธิแก้ทำยังไงจิตถึงจะเข้าสู่สมาธิได้ได้เร็วได้ไวได้ง่ายได้อย่างชำนาญคล่องๆอย่างนี้เุยกอนเรืความเครียดจะไม่มีเออได้เคยอ่านบทความของนิตยสารไทม์แมกซีน ที่เขาพูดถึงว่าบุคคลที่มีความสุขมากที่สุดในโลกนะก็คือพระในพุทธศาสนาจริงหรือเปล่าครับท่านอ๋อเขาพูดชัดเจนเลยแหละครับฟันธงเลยครับว่าพระในพุทธศาสนาโอ้อนุโมทนาเลยครับคือผมก็คิดประชัยก็คือพระไฟบูนเองนะเพราะฉะนั้นก็เวลาเราต้องการทําให้จิตของเราเนี่ยสงบเนี่ยก็ก็คือสังเกตลมหายใจอย่างที่ว่าแล้วก็ เรื่องของสมาธิเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญใครครับใช่ครับเราต้องละนิวรณ์ให้ได้พอละนิวรณ์ให้ได้แล้วเนี่ยอย่าให้มีความอยากนะถ้าอยากอยากโอ้ฉันอยากจะละนิวรณ์ให้ได้จริงๆอันนี้คนไปคนละทางละอ๋อมันจะเป็นความอยากในอยากละนิวรณ์ก็คือก็เป็นเป็นกรรมมฉันทาอีกใช่ก็ถูกมันถูกมันรัดเราอยู่นั่นแหละซ้อนอปไม่ได้รัดซอนรัดครับเรื่องของสมาสมาธิเนี่ย มีรายละเอียดที่จะต้องพูดอีกก็คือว่าเราจะต้องฉลาดในเรื่องสมาธิอย่างมากคือคนที่มีสมาธิเนี่ยนะจะเป็นผู้ที่มีอำนาจเหนือจิตได้ใช่ครับมีอำนาจเหนือจิตก็คือว่าจะไม่ถูกจิตเนี่ยไม่มีอำนาจเหนือเราหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าเราจะต้องการคิดเรื่องอะไรก็คิดได้ไม่ต้องการคิดเรื่องอะไรก็ไม่คิดได้ต้องการดารีเรื่องอะไรก็ดาริได้ไม่ต้องการดารีเรื่องอะไรก็ไม่ดาริได้ เป็นผู้ที่มีอำนาจอยู่ในคลองอมีอำนาจในวาระของจิตตัวเองสั่งจิตได้เป็นผู้ได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากซึ่งฉานทั้งสี่ก็คือว่าต้องปราลบเหตุคือการได้สมาธิคุณถึงจะสามารถสั่งจิตให้ซ้ายขวานิ่งหน้าหลังไ ด, ด้คนที่จะทําอย่างนี้ได้เนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าคุณจะต้องเป็นผู้ฉลาดในการเข้าสู่สมาธิครับ คือบางเราบางทีเรานั่งสมาธิเนี่ยนะหลับ<ช>ตายอยู่ใช่ไหมเอาแบบเป็นรูปแบบเหนะ่ครั บ, รบพอลืมตาพุ่งขึ้นมาเนี่ยเรายังอยู่ในสมาธิเรา อ, ออกตั้งแต่เมื่อไหร่เราไม่รู้อันนี้ไม่ได้ต้องฉลาดในการเข้าในการดํารงอยู่ในการออกครั บ, รบถึงแม้เขาสติระครังเลิกแล้วครั บ, รบหรือว่าลุกออกจากที่นั่งแล้วคุณต้องสามารถดํารงอยู่ในสมาธิได้ ให้มันเชื่อมโยงกันอย่างนั้นในทุกอเรียบทอย่างนั้นไหมครับให้มันดำเนิอยู่ได้ตลอดไงถ้าเป็นพูดว่าจะลืตาใช่หรือว่าลุกขึ้นเดินให้ชํานาญว่างั้นเถอะบางคนบอกว่าโอ้ฉันทาเวลาขับรถไม่ได้หรอกอย่างนี้นะครับใช่ครับหรือถ้าเรายกตัวอย่างเนี่ยเมื่อก่อนที่เรียนขับรถใหม่ๆเนี่ยเกียรธรรมดาอย่างนี้เป็นต้นนะใช่ครับ ทั้งใส่เกียร์ทั้งดูกระจกหลังดูกระจกข้างสองบารต้องดูทาถนนข้างหน้าอีกมือก็ต้องควบคุมพวงมาลัยนะครับต้องเหยียบคลัชเหยียบคันเร่งเหยียบเบรคโอ้โหมันอีลุงตุรงนางทุกอย่างไปหมดเลยใช่ครับใช่ครับพอเริ่มขับไปสักปีหนึ่งใช่ไห ม, มเริ่มออกถนนใหญ่ไปต่างจาังหวัดขับคนเดียวบ้างอะไรบ้างโอ้โหมันใส่เกียร์ด้วยมืออีกมือนึงจับโทรศัพท์ ปลากุย้งกับคนข้างคๆดูกระจกสามบาททุกอย่างทําพร้อมกันหมดได้ใช่ครับแล้วเรงตรงนี้เพราะว่าอาศัยความชํานาญ อ, อืเพราะฉะนั้นเราจึงต้องอาศัยความชํานาญตรงนี้อย่างพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ต่างๆที่อยู่ตามป่าตามเขาที่อยู่ในที่หลีกเล่นเนี่ยท่านชํานาญในเรื่องวาระสิทธิ์ของตัวเอง อ, อยู่ในที่หลีเ น, เนี่ยจะทําให้คุณเนี่ยสามารถทําสมาธิให้เกิดขึ้นได้อันนี้เป็นสิ่งที่เป็นไปได้เพื่อท่านที่ต้องการฝึกจิตตรงนี้ให้มีอํานาจเหนือจิต ครับไม่ให้จิตมีอำนาจเหนือเรารซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยการฝึกฝนเหมือนกับฝึกจกัจกรยานฝึกว่านะ้ำฝึกอย่างเงี้ยมันต้องฝึกพระพุทธจึงตรัสเรื่องของอ่ถ้าอยู่เป็นที่เนี่ยนะคนอยู่เป็นที่เนี่ยจะแตกฉานช่ำชองในบางสิ่งแม้ที่บรรลุแล้วอืเรื่องพวกนี้จะแตกฉานช่ำชองครับจะบรรลุในสิ่งที่ยังไม่บรนะรลุ ค, รความรู้ความเรียนยต่างๆมันก็จะรู้เห็นขึ้นมาได้อืม หมายถึงว่าสิ่งที่เราหมายถึงว่ารู้แล้วเราก็จะยิ่งยิ่งแตกฉานแตกฉานลึกขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับถูกต้องถูกต้องการอยู่กับที่หมายความว่าตัวเราเนี่ยหมายถึงว่าถ้าเราเราไม่ไม่ไม่ไปไหนปักหลักแล้วก็ทําสมาธิอย่างนี้ใช่ไหมครับก็จะได้ความ อ, อยู่เป็นที่อันนี้หมายถึงการอยู่เป็นที่นะ อ, อยู่เป็นที่ก็คือว่าไม่ได้ไปเที่ยวเที่ยวไปโดยไม่มีอย่างมียังไม่มีจุดหมาย การอยู่เป็นที่เนี่ยจะตรงข้ามกับการเที่ยวไปอย่างไม่มีจุดหมายครับพระพุทธเจ้าให้อยู่เป็นที่แทนที่จะเที่ยวไปอย่างไม่มีจุดหมายอย่างนี้ครับก็ที่ที่เคยได้ยินว่าเอ่อพระเนี่ยจะมีฤดูการทุดงอย่างเงี้ยก็คือจะมาเชื่อมโยงตรงนี้ว่าเอ๊ะอย่างนี้ความเข้าใจความหมายของคนทั่วไปที่บอกทุดงทุดงเนี่ยก็คือกับกับกับบอกว่าให้อยู่เป็นที่เนี่ยแสดงว่าการทุดงเนี่ยก็ก็มีข้อที่ ไม่สู้ดีใช่ไหมครับการทุดงเนี่ยหมายความว่าก่อนคือคําว่าทุดงเนี่ยเป็นคําที่พระเจ้าใช้นะแต่หมายถึงข้อปฏิบัติอันบุคคลทําได้ยากเป็นไปเพื่อขุดกลากิเลสอย่างยิ่งครนะไม่ใช่การเดินทางไปการเดินทางเนี่ยก็คือไปใช้คําว่าเดินทางครับส่วนพระที่บอกพระทุดงพระทุดงพระทุดงเนี่ยหมายถึงท่านปฏิบัติทุดงหรือเปล่าการอยู่การปฏิบัติทุดงเนี่ยไม่จำเป็นว่าตัคุณต้องเดินทางไปอยู่เป็นที่ก็ได้ S <S นะรพระวัดบวรคุณจะถือทุดดงควัดก็ฉันมือเดียวก็ได้ครนะพระ อ, อ, อยู่วัดสามพระยาอ ย, อยู่ที่วัดนั่นแหละอยู่ในเมืองเลยไม่จะเป็นต้องออกป่านะคุณจะถือข้อวัดในการถือผ้าสามผืนก็ได้จุดดงควัตดในการถือผ้าสามผืนก็ได้ครนะแต่ที่ประเด็นที่ครูบาอาจารย์เคยพูดถึงว่าอาไปออกทุดดงเที่ยวทุดดงเนี่ยหมายท่านอาจจะหมายกับว่าอย่างนี้คุณเดินทางไปนะไปที่ที่หนึ่งแล้วก็ปฏิบัติข้อปฏิบัติอันทําได้ยากตรงนี้ เพื่อที่จะไปหลีกเล้นถ้าจะพูดให้ถูกเนี่ยควรจะพูดว่าไปวิเวกหลีกเล้นอันนี้ถึงจะถูกใช่ครับใช่ครับจะตรงความหมายเลยครับวิเวกหลีกเล้นครับใช่ครับเพราะว่าประเด็นนี้คนเข้าใจผิดกันเยอะนะครับท่านอทุดงนะจนจนมีคําแซวว่าทุดงจนทะลุดงเลยอันนี้ทะลุดงเลยนะทะลุดงครับครับก็อันนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นที่ว่าเรื่องของสมาสมาธิ เราก็<ช>คงจะมีรายละเอียดเท่านี้คร<ช>ับรายละเอียดคือเรื่องสีสมาธิปัญญาเนี่ยพูดตลอดชีวิตอาตมาก็ไม่จบใช่ครับผม ค, คิดว่ามีไวยาที่มากมายเลยเพราะฉะนั้นเราได้รวบรวมประเด็นของตั้งแต่เรื่องของสัมมาสมาธิเอสมาธิที่จนถึงสมาสมาธิตรงนี้ขโมดเรื่องสมาสมาธิจบไปที่ตรงนี้แต่แล้วตอนอตอนหน้าในตอนที่สิบเอ็ดเนี่ยตอนที่สิบสองเราจะมาสรุป เรื่องของมรแปดว่ามีกระบวนการอะไรยังไงอีกเัื่ที่จะเป็นการสรุปในบทของเรื่องมรแป8เอาไว้ทีนี้ว่าถ้าท่านผู้ฟังเนาะมีคำถามก็ตอนนี้เปิดแล้วคำถามเต็มที่ละการใช้งานมรแป8การเอามรแปดไปใช้ในชีวิตประจำวันอะไรต่างๆอย่างนี้จะได้ได้ประโยชน์มากเลยนะครับเพราะว่าอย่างกรณีของอริยมรแปดเนี่ยโอ้จะเป็นอะไรที่ พอจับหรือศึกษาด้านพุทธวจนะเนี่ยจะเห็นความเชื่อมโยงเรียงร้อยต่างๆแล้วก็การนําไปใช้ประโยชน์ได้ท่านโดยเฉพาะท่านไพบูร์เนี่ยสามารถที่จะเชื่อมโยงแล้วก็โอ้โหนํามาตัวผมเองก็ยังทึ่งแล้วก็รู้สึกประทับใจนะครับสามารถที่จะนําไปใช้ในชีวิตปร ะ, ประจําวันได้นะครับถ้าไงก็เดี๋ยวคราวหน้าค่อยมาพบกันใหม่ในทางาพิโยธรมะ พอดแคสต์ Podcast, ภาคออนไลน์แต่ตอนที่11ก็มีเท่านี้แหละมาถ้าผมรับวฟอก็ต้องขอกราบราท่านผู้ฟังทุกท่านแล้วก็กราบน้ำรสการขอบคุณพระอาจารย์ไยบุญอภิปุนโนจากวัดป่าดอนหายโศกเพียงเท่านี้ครับด่าจริ์พอนครับสวัสดีครับ